พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่29กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าหลวงตาข้าวแห้งวันนี้เป็นวันพฤหัสที่2ี่ กันยายนพุทธศักราช2559เมื่อวานวันก่อนก็ไม่คาดคิดว่าฝนจะตกมัจนจัทยาโยมลูกหลานแต่มันคืนนีโ้โหฝนก็ห น, นำลงถ้าว่าตกนานนี่เขาคงจะน้ำาขาคงจะกระเจิงเหมือนกันนะ่ะแต่นี่ตกไม่นานแต่เขาฟ้าร้องอีกต่างหากปีนี้รู้สึกว่า ถึงจะฝนฝนตกไม่ไม่แรงมากแต่ก็สม่าเสมอถ้าจะจัดเข้าไปก็เป็นผลค่อนข้างดีทีเดียวปีนี้ดีกว่าสามปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาฝนไม่ค่อยจะได้น้าได้เนื้อแล้วกัฝนตกห่างกันทำให้พวกข้าวนาข้าวรู้สึกว่าไม่ได้ผลแต่ปีนี้รู้สึกว่านาข้าวได้ผลนะ รู้สึกว่าฝนตกสมบมเสมอแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ไปตะเวนดูที่พวกลูกหลานปลูกต้นไม้ปวกไม้สักประดูมะข่าตะเคียนทองออผลละหมากลากไม้คละกัน่ป่าคละกันมีทั้งสมผู้มีทั้งหมกเ ม, มามกว่าตากบมีครบไปเห็นแล้วว่าเออ ขึ้นนะปลาขึ้นแต่ว่าน้ํามาเมื่อกี้เนี่ยมันท่วมไม้สักรู้สึกไม้สักตายไปหลายสิบต้นเหมือนกันจะ ย, ยังไงให้พวกลูกหลานเอา น, นตะเคียนท้องกับไม้มะค่าไม้ยางเนะป็นลงมันทนน้ําไม้สักไม่ทนน้ําต้องอปลูกที่เนินๆ ส, สูงๆไม้สักพวกที่ทนน้าก็พวกนั่น ที่หลวงพ่อได้พูดเน่ยเอาไปลงๆไปแซมแมไว้อีกอย่าให้มันว่างเพื่อรักษาป่าปลูกป่าให้เกิดหลวงพ่อเองเนี่ยดูๆจะพูดแนะนำบอกกล่าวสามปีนะลูกหลานนะหน้าฝนเนี่ยนะดูพอตกหนาแรงวนะ่ก็ทิ้งไว้ก่อน พอเข้าหน้าฝนอีกปีหน้าแล้วนะทำให้ตายก่อนนะทำให้ตายน ะ, ะถูกโงหยดพยายามปลูกให้มันเป็นป่ารงพงไพ่ขึ้นมาการปลูกป่าของเราไม่ไม่ใช่ปลูกเพื่อเศรษฐกิจไม่ใชเ่เพื่อจะซื้อจะขาย เ, าเราปลูกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินมีแต่ไม้ประดูมัก่าะเกียรทองไม้ใหญ่ทั้งนั้นที่เราปลูกให้มันเป็นป่ารงพงไพ่ เป็นที่หายใจของลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าต่อไปภายภาคหน้าถู่นอกวัดคงจะเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นส่วนมากคงจะเป็นที่ทำไร่ทำนาทำรัวำ้วทาสวนพี่น้องประชาชนก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแต่วัดของเราคงจะเป็นแหล่งเรียกว่าเป็นที่ปลูกไม้ยืนต้น ให้เป็นที่ศึกษาของลูกหลานต่อไปภายภาคหน้านะอหลวงพ่อคิดอย่างนั้นไม่ได้ปลูกมาเพื่อจะตัดไม้สักเพื่อจะซื้อจะขายไม่มีปลูกทั้งหมดนเต็มป่าเต็มวัดพันกว่าไรให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของประเทศชาติแต่หลวงพ่อปลูกขึ้นมาแล้วก็เนนะอยู่ไปได้อีกกี่ปีล่ะ หลวงพอมองตัวเองอยู่ตลอดเวลานะลูกหลานนะไม่เคยไม่เคยลืมตัวในการเป็นอยู่ได้มากได้น้อยก็ไม่เคยหลงลืมหลงลืมคำคานี้คืออะไรอีกชักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดฮะนี่แหละความไม่หลงลืมไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะอีกวันหนึ่งข้างหน้าข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมด ต้องได้คิดไว้อยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้เพราะนั้นการที่จะทำสิ่งใดก็ตามทาเพื่อพระพุทธ ศ, ศาสนาทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์จึงไหนมันจะดีที่สุดสิ่งไหนที่มันจะดีกี่ามันดีไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ ที่พวกเราทำทำมาก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นมันก็เกิดประโยชน์อพอตกหน้าแรงมาก่อนนั่นเป็นต้นไม้เป็นที่หายใจเป็นที่เปีกวิเวทเป็นที่ภาวนาของพระลูกพระหลานเป็นสถานที่บาเพ็ญจิตภาวนาพอเดี๋ยวนี้มันหาป่าหายากขึ้นเรื่อย ถ้าพวกพระจะเข้าไปอยู่ในป่าไปป่าสงวนหรือว่าป่าอะไรของเขาเน่เขาเริ่มจะเข้มงวดขวดขันผิดกฎหมายไปเรื่อยๆและนเพราะนั้นพวกเราจึงครูบาอาจารย์รุ่นหลวงพ่อเนี่ยพอจะเจียดที่ดินได้อยู่ท่านก็เอาั้นรักษาไว้ท่านกม็มาอะไรรักษาไว้เพื่อใครรักษาไว้เพื่อแผ่นดินเหมือนกัน ถ้ า, ากว่าถ้าจะเปรียบเทียบแล้ววัดรักษาเนี่ยต้นไม้จะยังเหลือมากกว่าป่าไม้รักษาอีกต่างหากพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าป่าไม้รักษาทั้งก็ อ, อย่างว่ามันรักษาเป็นสวนยากมากสวนใหญ่กว้างขวางดูแลรักษาก็บางทีกัคนคนที่รักษาก็ น, นำลายไหลเองกินเช่เ ตัดเองก็มีแต่สําหรับของเราในเราปลูกขึ้นมาแล้วนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอถ้าต้นไหนมันโคน่นมันล้มลงอมันจะเสียหายมันจะเน่าเออเราก็นำมาใช้ซะอแต่ตาต้นไหนยืนต้นอยู่เราจะไม่ให้แตะต้องรักษาไว้ก็ธรรมดาต้นไม้ก็ต้องมีล้มหายตายมันเหมือนกับคนนั่นแหละคนเงิน จะรักษาดีขนาดไหนอยู่ในระดับไหนคนก็ยังตายแต่ต้นไม้ไม่ให้มันตายไม่ให้มันโค่นเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะมันต้นไม้ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันคนก็เป็นอนิจจังแต่ถ้ามันโค่นมันล้มหลืออะไเกิดประโยชน์ทําให้เป็นประโยชน์ซะแต่ก็นานนานทีนะบางปีก็ไม่โค่นเลยก็มีนะแต่บางทีก็น่าเสียดายเหมือนกัน ปีไหนลมนนลมเน่หน้านี้แหละหน้าที่วนจะออกพรรษาเนะ่ดินมันน่วมดินมันอ่อนนะพอดินมันอ่อนลมก็โชกมาอย่างแรงนะเออต้อนไม้นี่ลม้มโค่นลงเป็นเสียหายนะที่หลวงพ่อได้สังเกตสัเกตดูฐานเดือนกันยาตุลาเนะี่ยช่วงจะออกพรรษาเนะี่ยฟ้าใหม่ฟ้าสังลานะ มันก็จะมีล ม, มครั้งสองครั้งเหมือนกันลมช่วงนี้แ่ะทำให้ต้นไม้โค่นล้มเสียหายที่เห็นเห็นมาบางทีไม้ยางในวัดของเราโค่นทั้งสามสี่ห้าต้นก็มีแต่ละปีหน้านี่แหละหน้าที่จะออกพรนษาเนี่ยดินมันอ่อนแต่ถ้าวันหน้าเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยโดยมากมิตรขาดถ้าลมมาแรงๆก็ขาด ขาดส บ, บั้นไปเลยที่จะโคน่นหายากหลวงพ่อสังเกตต้นไม้เส้งกระดาษนันะลูกหลานนะ <g ül> มันต้องมีปลูกกันมามากขนาดนี้นะแต่ถึงยังไงก็ตาม น, นั่นคือรักษาป่ารักษาป่ า, า, ปามันก็เป็นหัวใจส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าประสูตรในป่าตัดรู้ในป่า ปริญญาภานในป่าเนี่ยมันทแทำว่าไม่ได้ตัดสูตรในที่ชุมชนตลาดเทศบาลไม่ใช่ประสูตดในตลาดเทศบาลก็ไม่ใช่ตัดสูตรในเทศบาลก็ไม่ใช่ปริญญพภานในชุมชนสังคมในเทศบาล ต, ต, ต่างๆก็ไม่ใช่ป่าทั้งนั้นเพราะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนอยู่ว่าลุกขมูไร้เสนาสนั่ง นิตายาปปชาตัทเตยาวชีวังอุชาโฮครณโยอติเลกะลาโพในพระบาลีพระที่จะเข้ามาบวชนะท่านบอกเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเจ้าต้องเจ้างเจ้าต้องอยู่ในป่าหาที่สงบสงัดหลีกเล้นเพื่อบาเพ็ญทางจิตภาวนาหาทางพ้นทุกข์อย่าไปคุกคี อย่าไปวุ่นวายหาที่หลีเกเล้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราเป็นดูก็ได้นะในอนุศาสตร์แดอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะพระเนรลูกหลานทุกคนนะเพราะนั้นการที่เราดูแลรักษาป่าทะนุถนอมป่าปลูกป่าก็ไม่ใช่หนทางหรือว่าไม่ไม่ใช่แนวทางที่ผิด เป็นทางที่ส่งเสริมให้พระภิกษุอยู่ในป่าหาที่สงบสงัดหลีกเล่นไปอยู่ในโคลนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแล้วก็นั่งภาวนากำหนดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละหน้าที่ของพระพระของเราเข้าบวชเข้ามาแล้วนะพระพุทธเจ้าทัานว่าพระภิกษุองค์ใดก็าตาม บวชเข้ามาแล้วไม่ได้คิดถึงมีแต่ส่งจิตใจออกไปข้างนอกมีแต่คิดเืองโรกแปลว่าขาดทุนไม่คุ้มค่าข้าวของเขาที่เขาถวายบำรุงปัจจัยสีมาพิกษุใดก็าตามเมื่อไปบิณฑบาตรได้บาตรตด้ก้อนข้าวเข้ามาแล้วมาฉันพิจารณาปฏิสังขาโยนิโส พิจารณาโดยแยบข่ายในเมื่อฉันดังหันของเขาฉันทานอาหารใช้ปัจจัยสี่ของเขาแล้วไปนั่งสมาธิดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดเพ่งเพียงเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงเพียงรัด นิ้วมือเดียวเพียงแค่นั้นก็คุ้มค่าข้าวของเขาที่เราบิณฑบาตมาฉันออพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะ่ะถูกหลานเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมากกว่านั้นอยู่กระมังเรานั่งภาวนานะเดินโยกมมนั่งภาวนาแต่ถึงยังไงถ้าว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่ได้ทําอย่างนั้นก็ไมคุ้มค่าข้าวเขาจริงๆนะเพราะนั้นเราต้อง มองดูตนเองหน้าที่ของพระคืออะไร เ, เราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นพระพระพุทธเจ้า ม, มีพระประสงค์อย่างไรท่านสอนพระอของพระพุทธเจ้ า, าท่านไม่ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายาทางนอกอแต่ถ้าว่าจุงเหยิงเป็นหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมเขาซะเขาทําฝ่ายพระในขณะนั้น เรื่องชำระจิตใจภาวนาเพื่อจะให้พ้นทุกข์ในวัตฏะสงสารอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างทานทิ้งทั้งหมดทั้งเพียงหวังปล่อยวางทั้งหมดเป็นผู้เสียสละจากนั้นก็ไปภาวนาอยู่ในป่าตามลำพังพระองค์จนได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้คือพุทธะ แต่ถึงพวกเราจะไม่ได้ถึงขนาดร้อเปอร์เซ์อย่างพุท ธ, ธแต่พุท ธ, ธท่านสอนอย่างไรท่านสอนอย่างไรให้พวกเราประพฤติปฏิบัติกระพวกเราก็ให้ดําเนินตามแนวแถวหรือว่าดูตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินทําดําเนินอย่างไรเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้จันโดดแล้วก็เป็นผู้สํารวมกายวาจาใจของตนเอง เป็นผู้รักษากายวาจาใจของตนเองไม่ต้องรักษากายวาจาใจของคนอื่นนะของตนเองนั่นแหละตัวเองคิดคิดผิดหรือคิดถูกทำผิดหรือทำถูกพูดผิดหรือพูดถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ด้วยกันนะการอยู่ด้วยกันมากมายตั้งแต่สองคนขึ้นไปตั้งแต่สององค์ขึ้นไปต้องดูตัวเองจนะํารวงกายวาจา อย่าให้มีปัญหาเพราะเราไม่ไม่ใช่ว่าเราจะแบกโรคตลอดไปไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกวัตฏะสงสารเป็นอนันตาการไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งเราจะทิ้งมันอยู่แล้วการอยู่ด้วยกันอนไรดีรู้ไหมรู้ไหมดีคิดดีรู้ไหมพูดดีรู้ไหมทำ ด, ดีรู้ไห ม, ไหมถ้าคิดไม่ไ ด, ด, ไมได็คิดไปจะคิดจะอิดช้ากนันนั้นไม่ได้ ถ้าพูดขึ้นมากะมิถพูดกันแนกะแหนกันนะการกระทําออกไปกันนั้นะเหมือนกับหลวงตาแย่งเข้าเข้าแห้งกันแตนะ่ยินหลงลงพ่อก็จะหมายเป็นเนนน้อยนะหลวงตาวัดบ้านนะ่พอได้เข้ามาแล้วก็ได้เข้าบาดมาก็มาตากกันอนะพอตากกันก็ม า, มาขายขายเข้าแห้งนะนะพอขายเข้าแห้งเนะี่ยไปตากข้าวใกล้กันกนะ็ตาก กันตรองเราว่าการกระจาดใกล้กันที่แรกก็แบ่งกันคนละครึ่งแต่นี่หลวงตาหนึ่งขี้โลภนะไปล้ำเอาไปล้ำเอาของหลวงตาอีกองหนึ่งหลวงตาที่โมโหแก็ไปกวาดเอาหลวงตาลวงตาหนี่งพอในสุดหลวงตาสองคนอยู่ด้วยกันสองคนจะไปทะเลาะกันอจะไปลงหมัดลงมวยกันอีกต่างหากเพราะแย่งข้าวแห้งกัน่ะ พวกเราคิดดูใชถ้าไม่ว่าโง่จะว่าอะไรบวชมาแล้วเพื่อเสียสละทุกอย่างมาบวชมาเพื่อประกอบคุณงามความดีมาเพื่อสั่งสมบุลกุศลพอบวชเข้ามาแล้วมาแย่งเขาแห้งกันเพียงแค่นั้นถ้าไม่ว่าโง่ไม่รู้ว่าจะว่ายังโง่กว่าหมาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนทุกๆท่านนะการอยู่ด้วยการพูดทางนี้ทั้งนั้น เป็นแนวความคิดในพวกเราคิดการอยู่ด้วยกันอยู่ในครอบครัวก็ให้รู้จักสามีภรรยาให้เข้าอกเข้าใจกันลูกเต่าเล้าหลานที่เขามาอยู่ใกล้พึ่งพาอาศัยก็ให้รู้จักวางตัวให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้อบอุ่นอยู่ด้วยกันมันไม่ถึงร้อยปีหรอกต่างคนต่างตายต่างคนต่างไปถ้าพอเข้าไปอลไรต่างคนต่างร้องไห้หาการมันก็โง่อีกเหมือนกันนั่นแหละ อถ้าอยู่ด้วยกัน่มองหน้ากันก็ไม่ไม่อยากจะมองหน้ากันเกลียดชังกันอยู่อย่างงั้นเ่ะขวางกันอยู่ยงนั้นพอเขาตายไปข้างหนึ่งร้องโหมร้องไห้ทั้งวีทั้งวันถ้าร้องไห้ให้ลูกให้หลานเห็นกันกลัวอายเขาอีกพอสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่มันทะเลาะกันพอเขาไปอยู่ที่นอนหรือไปอยู่ที่เขาเกี้ยกำบังก็งกไปร้องไห้คนเดียวคิดถึงเขา อย่างนั้นมันได้เ่อะลยมันถูกต้องไหมนะ่ะ เ, เมื่ออยู่ด้วยการทำไมไม่คิดให้ดีคิดดีทำดีพูดดีรู้ไหม เ, เมื่ออยู่ด้วยการก็ต้องสิ่งไหนที่มันดีเอาความดีแล้วก็เข้ามาผสมประสานกันเ้ามาหากันมีเมตตาต่อกันรักเอื้อเฟือ้อเอื้ออารีต่อกันแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ แบ่งกันดีเอ่อช่วยเฉยจ อ, อจานกันอย่าไปแย่งกันดีเออถ้าแย่งกันดีไม่ได้ทะเลาะกันเออถ้าแบ่งกันดีดีดีเขาดีเราบ้างช่วยกันนั่นหละร่มเหย็นเป็นสุขนะถ้าเรารู้จักการวางตัวถ้าเราไม่รู้จักการวางตัวนั่นแลนะเอ่อจิตใจคับแคบลกงอกแรกแรกการอยู่ด้วยกัน ถึงจะมากจะน้อยก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันหาความสงบร่มเย็นเป็นทุขไม่ได้เพราะฉะนั้นในพวกเราทุกๆท่านนะถ้าคิดถึงมรณงเมผวิจติอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายนะมันเรื่องมันไม่มากนะถ้าคิดว่าตัวเองจะไม่ตายโอ้โหมันหลายเรื่องจริงๆนะแต่ถ้าคิดมรณงเมผวิจติข้าพเจ้าจะต้องตาย ก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายเนี่ยข้าพเจ้ า, จ ต, า, า, จาจต้องทํำข้าพเจ้าจงต้องทําดีที่สุดนะอันนี้ต้องคิดว่าข้าพเจ้าจะต้องทําดีที่สุดอั น, นไหนดีรู้ไหมเออจึงไหนที่มันดีท้าเราทําสิ่งนั้นให้มันเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเออก่อนที่เราจะตายเราปลูกต้นไม้นเะออปลูกไปเพื่ออะไร ตัวเองก็จะตายอยู่แล้วตัวเองก็จะตายอยู่แล้วปลูกไปทาไมแต่ตัวเองน่ะนั่งอยู่กระดานเถวเนี้ไม้กระดานใช่ไหมตัวเองได้ปลูกไหมไม่ได้ปลูกใครเป็นคนปลูกอาจจะมีคนก่อนเก่าปลูกก็ได้แล้วมันเกิดตามธรรมชาติก็ได้แต่เนื่องในเมื่อเราเออกมาใช้จ่ายเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สาหรับตัวเองเราปลูกทดแทนไม่ได้หรอ เราไม่มีใจกว้างขวางขนาดนั้นเหรอเห็นแก่ตัวขนาดนั้นเหรอเราก็ควรจะปลูกทดแทนไว้ไว้ในแผ่นดินเราไม่ได้คิดว่าจะใช้มันหรอกแต่เมื่อปลูกขึ้นมาแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินนี่แหละอันนี้ก็คือทำประโยชน์การทำประโยชน์ตนและประโยชน์ทานนี่การอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนก็เหมือนกันเราจะไปคิดเห็นแก่ตัวอย่างเดียว ควรจะเฉลือเผื่อแผ่ให้กับครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนที่การอยู่ด้วยกันตางองค์ก็ต่างมีน้ําใจต่อกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกนั้นถูกหลานนะถ้าว่าพวกเรามีแต่โลคโหโมกณนะมีแต่เห็นแก่ตัวขี้ตนีทีเหนียวเห็นแก่พักแก่พวกไม่เห็นแก่ใครนั้นะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน สององค์สองคนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับหมาก็อยู่ไม่ได้เอาเปรียบหมาอีกไปอยู่ในป่าโดงพงไปเขาเอาเปียบผีอีกเอาเปียบผีทำยังไงไปตัดต้นไม้ไปค่นอลงหมดไม่มีเมตตาต่อเขาอีกนะมันจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ร่มเย็นเป็นสุขนะการอยู่ด้วยกันนั้นจะมีเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้ออื้ออารีต่อกัน มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันมองกันในแง่เหตุผลอย่ า, ม, ามองกันในแง่ร้ายหลวงตามหาบัวท่านพูดพวกเราจะจะได้ยินบ่อยๆการอยู่ด้วยกันอย่ามองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่เหตุแง่ผลแง่เหตุแง่ผลแง่ร้ายคืออะไรบางทีองค์หนึ่งคนหนึ่งองค์หนึ่งวันนี้แต่ก่อนท่านก็เคยมาเคยมาปฏบัติการทความสะอาด มาช่วยหมูพกเพื่อนท่านก็ทำแต่วันนี้ทำไมท่านไม่ทำดูๆแล้วท่านหน้าบูดหน้าเบี้ยวอีกต่างหากทำไมเราก็ต้องมองดูอีกอถ้ามีโอกาสแล้วก็ไม่ถามท่านไม่สบายเหรอบีอยังไงแตท่านโอ้ผมปวดท้องอย่างมากผมไม่สบายเหมือนผมจะเป็นไข่ไงนี่ถ้าเจตนาดีมันก็ต้องเข้าไปถามกันอันนี้ราวามองกันในแง่เหตุผล เราต้องไปถามถ้าเอาว่ามองกันในแง่ร้ายเนี่ยเห็นอทําไม่โอ้ยขี้เกียจหมูทํางานไม่ทํางานตกลงเคยทํำมาแต่ไม่ทําไม่วันนี้ทําไมแสดงว่าขี้เกียจหลังยาวเอาเปียบเอาหมูเอาเพื่อนพอไปเห็นก็แทกท่านทําไมไม่ว่าเห็นเอาเปียบเอาหมูเอาเปรียบเอารัดเอาเปียบหมูมิกันไปนะคุณน่ะท่านโ อ, อ่องนั้นได้ยินกับมโมโหอ้า ผมไม่สบายเนะี่ยนนี่แหละอันนี้คล้ายๆัอเราต้องถามว่ามีเหตุผลมองกันในแง่เหตุแง่ผลมองอย่างไรมองกันในแง่ร้ายมองอย่างไรนี่แหละให้พวกเรามีเหตุมีผลในจิตใจเนละ้อยู่ด้วยกันมากน้อยลมเย็นเป็นถุกทามันขี้เกียจลังยาวจริงเราก็ว่าเลยนะดานะ่าอย่างหลวงพ่อนะไม่เลี้ยงไว้เหมือนกันนะพระองค์ไหนขี้เกียจลังยาว ไม่รู้จักการไม่รู้จักงานไม่รู้จักช่วยหมู่พวกเพื่อนเอารัดเอาเปียกหมู่ทำให้หมู่หนักใจหลวงพ่อเป็นหัวหน้าหลวงพ่อจะเตือนซะก่อนบอกซะก่อนถ้าบอกแล้วยังไม่ฟังนั่นไะไล่นี้จากวัดมันหนักวัดเออพระประเภทนี้หนักวัดถ้าเอาไว้คืนเอาไว้ก็หนักวัดหนักแผ่นดินไปหนักที่อื่นซะอย่ามาหนักตรงนี้หนักหมู่หนักเพื่อน มันขวางหมู่ขวางเพื่อนทําให้หมู่เพื่อนภาวนาจิตใจอคนที่ไม่ดีอยู่ด้วยกันมันจิตเจมมันประวัติประวัติประวัติอประวัติปตใปแค่เพียงไปหาอุ๋งนั้นอผลในสุดภาวนาไม่สงบเพราะมีคนที่ไม่ดีอยู่ในวัดอืเพราะนั้นหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้านหลวงพ่อจะต้องดูดูพระดูเนนดูความเรียบร้อยอ ไม่ใช่ดูแต่คนอื่นนะดูก็ทั่งตนเองอีกต่างอากเราในหลวงพ่อเนี่ยทําให้หมู่เพื่อนหนักใจอะไรบ้างไหมต้องดูตนเองอีกเหมือนกันนะไม่ใช่จะดูแต่คนอื่นทําให้หมู่พกเพื่อนไม่สบายใจมีไหมแต่มีก็บอกนะหมู่พกเพื่อนนะทําให้สบายใจข้างนอกอทําให้หมู่พกเพื่อนมีอะไรหลวงพ่อเคยบอกเคยกล่าวเหมือนกันนะประวัติาไว้เลยเนี่ย ประวัตนาออกพรรษากันี่แล้วประวัติกันนี่ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะการพูดทางนี้ทั้งนั้นการแนะนำแนวหลวงพ่อบอกวิธีการและหลายแนวทางอย่างแต่ละวันละวันวันหนึ่งกันแนะแนวทางหนึ่งให้ฟังวันหนึ่งกันแนะแนวทางหนึ่งให้ฟังสรุปแล้วก็คือให้พวกเราได้รับการศึกษาเป็นแนวความคิดพอหลวงพ่อศึกษามาอย่างนี้ เนีไม่ใช่หลวงพอ่อไม่ได้ศึกษาทูกขจูข้รูบาอาจารย์มาเนี่ยนี่แหละที่หลวงพ่อมาเล่ามาพูดให้ลูกหลานฟังนี่แหละหลวงพ่อศึกษามาอย่างนี้แหละลูกหลา น, น่ออถ้าจะว่าไปก็ข้อร่อแค่แล้วงั้ น, น เ, เลยเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บงังนํามาคิดจากนั้นก็นํามาขายายผลตีแผ่ให้กับลูกหลานเป็นแนวความคิดของลูกหลานเป็นต่อไปภายภาคหน้าต่อไป ลูกหลานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสขึ้นมาหรือเป็นหัวหน้าปกครองหมู่คณะขึ้นมาแนวความคิดเราจะคิดอย่างไรเราจะปกครองหมู่พกเพื่อนอย่างไรจึงจะร่มเย็นเป็นสุขจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายแต่หลวงพ่อก็ได้คิดอย่างนี้เหมือนกันนะลูกหลานแต่ว่าไปภายภาคหน้านั้นหลวงพ่อก็ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันขนาดหลวงตานะ่ยนะหลวงตามหาบัวเน่ะเต็ดเดียวขนาดไหนปกครองสุดท้ายมา่ เห็นพระเห็นเน้นี่นะข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเหนื่อยถ้าหาว่าเห็นอยู่สมัยก่อนสมัยเก่านั้นข้าคงจะไล่หนีมันออกหมดแต่เดี๋ยวนี้จะทำยังไงเพราะเพราะพราะมันแก่เดียกันมดมดเนี่ยจะว่าจะก่าไปในอนาคตหลวงพ่อก็ คงจะไม่แพ้อย่างนั้นเหมือนกันนะลูกหลานก็ทําใจไว้อีกเหมือนกันนะอะไรก็ได้จะเกิดมันก็ต้องเกิดในอนาคตนะแต่ขณะที่ยังพูดได้เออพยายามแนะนําบอกเก่าให้ลูกหลานเป็นคนดีแต่เมื่อต่อไปภายภาคหน้าลนะ่ะลูกหลานเก่งกว่าหลวงพ่อแนะล้หลวงพ่อก็ต้องยอมแพ้ลูกหลานเหมือนกันนะหมดเสียงแล้วมดปากหมดเสียงอนะพูดไม่ไปไอไม่ดังแล้วเนี่เงียบเหมือนกันพูดก็ไม่มีเสียงแนหะเหมือนหลวงปู่คุณมีหลวงปู่ลีเนะีย่ยพูดมากๆา ไอ้พวกที่อยู่ข้างๆกับแปรผิดแปรถูกไปเรื่อยเนี่ยทุกวันแปรที่เกิดไม่ออกอีกเลยเพราะพอเสียงไม่ออกอีกต่างหากเนี่ยแหละแก่แล้วเป็นอย่างงั้นลูกหลานเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าหลงพ่อก็จะต้องแก่อย่างงั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพราะนขณะที่หลวงพ่อพูดได้นะลูกหลานจะเพิ่งลาคาญนะฟังฟังไว้ก่อนอแต่อีกสักต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานจะเอาไม้มาจ่อปา ก, ลกหลวงพ่อเลยนะหลงโปหลวงโปหลวงโป้เอ็นโปต้อยนะป่า แต่ไม่รู้พูดอะไรทลูกศิษย์ลูกหาก็แปรปิดแปรถูกไปเลยอะไรทีเออยพูดทีนั่นก็อ้าปากหมอโกฟังท่านพูดว่าอย่างไงเออดูๆแล้วโอ้่ลูกอดิจังเป็นอย่างนั้นลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าตรงพ่อไปคิดว่าจะห้าวหาเสียงดังฟังชัดเหมือนทุกวันเนี้คงจะไม่เป็นอย่างนี้นะลูกหลาน ขนาดหลวงพ่อที่ฟังเสียงดังฟังชัดลูกหลางก็ฟังฟังไปก่อนสิ่งในที่ลำคาญก็เอาปั ด, ป, ดปัดไปก่อนสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เออฟังไว้นะจุดแก็โลกนีโล ก, โลกนีต้องได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษาทั้งนั้นนะจึงจะมีสติปัญญาขึ้นมาได้นะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนรั่นนี้นะ